เพื่อมาศึกษามาฟังเทศฟังธรรมมาปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมสร้างสติปัญญาความรู้ความฉลาดไว้ใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจธรรมะที่จะมาฝากท่านในวันนี้มีหัวข้อว่า ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดในโลกนี้มีความรู้อยู่สองแบบด้วยกันคือความรู้ทางโลกและความรู้ทางธรรมความรู้ทางโลกนี้ต่อให้ได้เรียนสูงขนาดไหนก็ตามก็จะไม่สามารถ เอาความรู้นี้ไปใช้ในการทำให้จิตใจรอดพ้นจากความทุกข์ได้เลยเราจึงเรียกว่าเป็นความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอดไม่ว่าใครก็ตามที่เรียนความรู้ทางโลกมาการอยู่ในระดับไหนก็ตามระดับปริญญาตรีโทเอกก็ ไม่สามารถที่จะเอาความรู้ที่ได้ร่าเรียนมานี้มากําจัดความทุกข์ทางใจได้เลยยังจะต้องมีความทุกข์กับความแก่ความทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยความทุกข์กับความตายความทุกข์จากการพัดภาคจากกันความทุกข์เหล่านี้ความรู้ทางโลก ไม่สามารถที่จะกําจัดให้หมดสิ้นไปจากใจได้ต้องอาศัยความรู้ทางธรรมเท่านั้นที่จะทําให้สามารถทําให้ใจไม่ทุกข์กับความแก่ไม่ทุกข์กับความเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ทุกข์กับความตายไม่ทุกข์กับการพัดพากจากกันได้ ความรู้ทางธรรมจึงเป็นความรู้ที่เอาตัวรอดได้รอดพ้นจากความทุกข์นั่นเองดังนั้นพวกเราต้องรู้จักแยกแยะความจำเป็นของความรู้ทั้งสองส่วนความรู้ทางโลกก็มีความจำเป็นอยู่ในระดับหนึ่ง คือความรู้ทางโลกก็สามารถนำเอามาใช้เป็นวิชาชีพได้เรียนจบมีความรู้ก็ไปทำอาชีพมีรายได้แล้วเอารายได้ที่ได้จากการทำอาชีพนี้มาเลี้ยงดูร่างกายได้สามารถเอาความรู้ทางโลกนี้มาบรรเทาหรือกํากกจัดความทุกข์ทางร่างกายได้ เพราะสามารถเอารายได้จากอาชีพที่ได้ทำไปซื้อปัจจัยสี่ให้แก่ร่างกายที่เป็นสิ่งที่จาเป็นต่อการดำรงชีพของร่างกายคือไปซื้ออาหารไปซื้อเครื่องนุ่งหม่มไปซื้อที่อยู่อาศัยและไปซื้อยาลักษาโรคเวลาที่เกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมา ความรู้ทางโลกก็ทำได้เพียงเท่านี้ช่วยกำจัดหรือช่วยบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนทางร่างกายได้แต่ไม่สามารถที่จะทำให้ความทุกข์ทางใจที่เกิดจากการแก่การเจ็บการตายนี้หายไปได้ความรู้ทางโลกนี้ก็มีประโยชน์แค่ช่วยเลี้ยงดูร่างกายไป พอร่างกายตายไปความรู้ทางโลกที่ได้เรียนมาก็หมดประโยชน์ไปไม่สามารถที่จะไปช่วยกำจัดความทุกข์ทางใจได้มีความรู้ทางธรรมเท่านั้นที่จะสามารถนำเอามาใช้ในการกำจัดความทุกข์ทางใจได้อย่างสิ้นเชิง ว่ามีผู้ที่ได้พ้นพ้นค้นพบความรู้ทางธรรมคือพระพุทธเจ้าเป็นองค์แรกหลังจากที่พระ อ, องค์ได้ส่งคนทบความรู้ทางธรรมที่สามารถนำมามาใช้ในการกาจัดความทุกข์ทางใจให้หมดสิ้นไปได้พระ อ, องค์ก็เลยนำเอาความรู้ทางธรรมนี้มาเผยแผ่สั่งสอน ให้แก่ผู้ที่ปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อที่จะนำเอาไปกำจัดความทุกข์ต่างๆภายในใจให้หมดสิ้นไปถ้าไม่มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรุธรรมแล้วเอาธรรมที่ได้ทรงตัดสรุปมาเผยแผ่ให้แก่สัตว์โลกสัตว์โลกทั้งหลายทั้งปวง ก็จะไม่มีวันรู้ได้ด้วยตนเองเลยไม่รู้วิธีที่จะกำจัดความทุกข์ที่เกิดจากการแก่การเจ็บ ก, การตายการพัดพากจากกันได้เลยก็จะต้องทุกข์ไปเรื่อยๆเพราะว่านอกหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วใจผู้ที่มาครอบครองร่างกายไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจก็ยังอยู่ต่อไป แต่อยู่แบบไม่มีความรู้ความฉลาดทางธรรมใจที่ไม่มีความรู้ความฉลาดทางธรรมก็จะถูกความหลงหลอกให้ไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆพอร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะไปเกิดไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่เพราะมีความหลงที่คอยหลอกสร้างความอยากหาความสุข ผ่านทางร่างกายนี้คอยผลักดันอยู่เรื่อยๆความหลงจะหลอกให้ใจคิดว่าความสุขของใจคือการได้เสบรูปเสียงกดลดิ่นรสผลทพัะชนิดต่างๆซึ่งก็เป็นความจริงในระดับหนึ่งเวลาที่เกิดความอยากเสบรูปเสียงกดลดิ่นรสพอได้เสบได้สัมผัสรูปเสียงกดลดิ่นรสที่ถูกถูกใจก็จะ เกิดความสุขขึ้นมาแต่เป็นความสุขชั่วคราวไม่ยั่งยืนยาวนานเสบแล้ววันพุ่งนี้ก็อยากจะเสพมาอีกก็ต้องเสพไปเรื่อยๆเหมือนเป็นยาเสพติดที่ใครเสพแล้วจะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆยาเสพติดหรือสิ่งเสพติดเช่น <c oughs> บุหรี่เอยสุรายามอเอยกาแฟเอย ยาเสพติดต่างๆพอได้เสพมาแล้วมันก็จะติดติดแล้วก็จะต้องคอยเสพอยู่เรื่อยๆ เ, เวลาไม่ได้เสพก็จะมีความรู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจรู้สึกเศร้าซ้อยหงอยเหงารู้สึกว้าวเวยขึ้นมาได้สารโลกก็เลยจําเป็นที่จะต้องวิ่งหาความสุขอยกรูปเสียงกินลดผดทพทะอยู่เรื่อยๆด้วการที่จะ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะได้ก็จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเป็นเครื่องมือเพราะร่างกายมีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายนี้เองที่เป็นเครื่องมือที่จะรับรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะเข้ามาแล้วส่งไปให้ใจได้เสพได้สัมผัสอยู่เรื่อยๆนี่คือสาเหตุที่ทําให้ใจจะต้องกลับมา เกอยู่เรื่อยๆพอใจเป็นคยเหมือนคนติดยาเสพติดติดรูปเสียงกลภภิ่นรสผดทพะเวลาที่ไม่ได้เสรรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะแล้วจะรู้สึกเครียด ร, รู้สึกหงหงื้อรู้สึกไม่สบายใจ <c oughs> ก็ต้องไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาเสรพอได้เสรแล้วความรู้สึกเครียด ร, รู้สึกไม่สบายใจก็จะหายไปชั่วคราว แล้วหลังจากนั้นไม่นานก็เกิดความอยากที่จะเสพขึ้นมาใหม่เมื่อรูปเสียงกลิ่นรสที่ได้เสพได้สัมผัสได้ได้จางหายไปแล้วก็อยากจะเสพรูปเสียงกลิ่นรสพลทพะใหม่อีกก็จะก็จะใช้ร่างกายนี้ไปเสพอยู่เรื่อยๆแล้วก็พาให้ร่างกายนี้ไปเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บ แล้วในที่สุดก็เจอกับความตายเจอกับความทุกข์ทุกครั้งที่มาเกิดพอมาเกิดแล้วมีร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขก็จริงอยู่แต่ในขณะเดียวก็นั่งมาเจอกับความทุกข์ของร่างกายความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายแต่ก็ไม่รู้จะทำอย่างไรไม่รู้เสียด้วยซ้าไปว่าตายแล้วจะไปไหนต่อ ไม่รู้ว่าตายเราจะต้องกลับมาเกิดมาอย่เรื่อยๆไม่รู้ว่าเคยเกิดมาแล้วกี่แสนล้านครั้งก็ไม่รู้มีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรู้ว่าสัรโลกอย่างพวกเหล่านี้ได้เวียนว่ายตายเกิดกันมาอย่างโชคชนจานวนภพชาติที่เราได้เวียนว่ายตายเกิดกันนี้มีมากมายจนไม่สามารถนับได้ด้วยตัวเลข จะประมาณได้ก็คือการเอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาติเวลาที่เรามาเกิดครั้งหนึ่งนี้เราจะต้องเศร้าโศกเสียใจจะต้องร้องหม่มร้องไห้ต้องหลั่งน้ําตากันท่านบอกว่าให้เอาน้ําตาที่เราหลั่งในแต่ละภพแต่ละชาตินี้มารวบรวมกันจะได้น้ําตามากกว่าน้ําในมหาสมุทร น, นั่นคือปริมาณของภพชาติที่เราเวียนว่ายตายเกิดกันมาในอดีตคือจำนวนมากมายมากมา ย, มามาย จ, นจนหลังน้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรแล้วยังจะต้องเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่อีกเรื่อยๆตราบใดถ้ายังไม่ได้มาพบกับความรู้ทางธรรม ไม่ได้มาพบกับคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าจะพบโดยที่มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าอยู่ก็ดีหรือในยุคที่ไม่มีพระพุทธเจ้าอยู่อย่างอย่างสมัยปัจจุบันนี้เราก็มีธรรมะความรู้ทางธรรมนี้มาในรูปแบบของพระธรรมคาสอนที่ได้บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก นักคำรู้คําสอนจากพระ อ, อริยะสงสาวกของพระพุทธเจ้าคือผู้ที่ได้ศึกษาพก็ทำคําสอนและได้นําอาไปปฏิบัติจนสามารถบรรลุเป็นพระ อ, อริยบุคคลขั้นต่างๆได้ตั้งแต่ขั้นที่หนึ่งขึ้นไปถึงขั้นที่สี่คือขั้นพระโสดาบันขั้นพระสกิทาคามีขั้นพระ น, ออนาคามีขั้นพระ อ, อรหรันต พระอริยบุคคลเห้า น, นี้มีความรู้ทางธรรมความรู้พื้นฐานทางธรรมรู้ว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาในใจและรู้ว่าวิธีการดับความทุกข์ทางใจนั้นจะต้องดับด้วยอย่างไร<ม>แต่ความสามารถในการดับความทุกข์ทางใจของพระอริยบุคคลทั้งสี่ขั้นนี้มีมากน้อยต่างกันไป ตามขั้นขั้นที่หนึ่งก็สามารถกำจัดความทุกข์ได้ในในระดับที่หนึ่งคือประมาณร้อยละห น, หนึ่งในสี่ขั้นที่สองก็ประมาณเหลือร้อยละร้อยละ้อยละสองหนึ่งในสองเหลือครึ่งหนึ่งขั้นที่สามก็สามในสี่แล้วขั้นที่สี่ก็จะได้ กำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจได้เลยบุ mm hmm. คคลเหล่า น, นี้สามารถเป็นที่ให้ความรู้กับผู้ที่อยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทางใจได้ mm hmm. ถ้าไม่ได้มาเกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าก็ดีมีพระธรรมคำสอนหรือพระอริยรสงสาวก็ดี mm hmm. ถ้าไม่ได้เจอองค์ใดองค์หนึ่งนี่ ก็จะไม่มีวันรู้เรื่องการเวียนว่ายตายเกิดของตนได้เลยไม่รู้เรื่องของการกำจัดความทุกข์ในแต่ละครั้งที่มาเกิดเวลาที่จะต้องเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายจะไม่รู้วิธีทําอย่างไรที่จะทําให้ใจไม่ทุกข์เลยและจะไม่รู้วิธีจะทําอย่างไรให้ไม่ต้องกลับมาเกิดเลย เพราะถ้าตาบดยังมีการกลับมาเกิดอยู่ถึงแม้จะมาเกิดมีฐานะที่ดี<ม>เกิดมาร่ำรวยมียศมีตาแหน่งที่สูง ม, มีความรู้ความฉลาดที่สามารถทำอะไรที่ทำให้ได้รางวีรางวัลต่างๆมากมาย ม, มีความสามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆได้ ก็ยังจะต้องมาเจอกับความแก่เจอกับความเจ็บเจอกับความตายเหมือนกันมหาเศรษฐีกับคนขอทานนี้ก็มีความเหมือนกันที่ร่างกายนี้ร่างกายของมหาเศรษฐีกับร่างกายขอทานก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเหมือนกันแล้วก็ต้องทุกข์เหมือนกันมหาเศรษฐีก็ต้องทุกข์กับความแก่ความเจ็บความตายขอทานก็ต้องทุกข์กับความ แก่ความเจ็บความตายเช่นเดียวกันไม่มีความต่างกันเลยดังนั้นวิธีเดียวเท่านั้นที่จะทำให้ไม่ต้องมาทุกข์อีกต่อไปก็คือการไม่กลับมาเกิดเท่านั้นถ้าตราบใดยังมีการมาเกิดอยู่เรื่อยๆตราบนั้นก็ยังจะต้องมีการ <c oughs> เจอกับความแก่ความเจ็บความตายของร่างกายอยู่เรื่อยๆนั่นเอง <c oughs> การที่จะทําให้ยุติการเกิดได้ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกก็ต้องไปหยุดเหตุที่พาให้ใจมามีร่างกายกันเหตุที่ทําให้ใจมีร่างกายก็คือความอยากหาความสุขอยากรูปเสียงกลิ่นรสผดสะพ้าชนิดต่างๆนี่เเมื่อมีความอยากก็ต้องมีเครื่องมือใจไม่มีร่างกายใจเป็นดวงวิญญาณ เป็นกายที่ที่ไม่มีร่างกายแต่อยากจะเสพความสุขผ่านทางร่างกายเสพความสุขผ่านทางตาหูจมูกนิ้นกายก็จาเป็นที่จะต้องมีร่างกายดวงวิญญาณตอนที่ร่างกายอันนี้ตายไปใจก็จะเรียกชื่อว่าเปลี่ยนชื่อเป็นดวงวิญญาณแล้วดวงวิญญาณนี้ก็จะไป หาร่างกายอันใหม่มาครอบครองอเหมือนกับคนที่ยังต้องเดินทางไปไหนมาไหนอยู่ก็ต้องมีรถยนต์อพอรถยนต์คันเก่าใช้ไม่ได้แล้วมันเสียขับไม่ได้ซ่อมไม่ได้ต้องขายทิ้งไปก็ไปซื้อรถคันใหม่เพราะยังต้องใช้รถยนต์พาให้ไปไหนมาไหนอยู่ร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ของใจ ใจที่ยังต้องการเสีรูปเสียงกลิ่นรสผพัชชนิดต่างๆอยู่ก็จาเป็นที่จะต้องอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือพอร่างกายอันเก่าถึงแก่ความตายไปใจก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาเกิดใหม่นั่นเองถ้าไม่อยากจะมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายก็ต้องมาหยุดความอยากที่จะ หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถต่างๆนี่เหมือนกับคนที่ชอบเดินทางอยากเดินทางไปไหนมาไหนอยู่เรื่อยๆก็ต้องคอยเปลี่ยนรถอยู่เรื่อยๆรถเก่าเสียก็ต้องเปลี่ยนรถใหม่แต่ถ้าเป็นคนที่ไม่อยากจะไปไหนมาไหนแล้วอยากจะอยู่เฉยๆอยากจะอยู่กับบ้านขี้เกียจเบื่อกับการเดินทาง<ม>ก็ไม่จําเป็นที่จะต้องใช้รถยนต์ รถยนต์คันเก่าพอมันเสียไปก็ไม่ต้องไปซื้อรถยนต์คันใหม่มาเพราะไม่มีเหตุมีความจําเป็นที่จะต้องมีรถยนต์อีกต่อไปแล้วในเมื่อไม่มีความอยากที่จะเดินทางไปไหนมาไหนเพราะได้คนพบว่าการอยู่บ้านนั้นกลับมีความสุขมากกว่าการได้เดินทางไปไหนมาไหนฉันใดร่างกายก็เป็นเหมือนรถยนต์ของใจตราบใดท่าใจยังมีความหลง คิดว่าความสุขนี้อยู่ที่การมีตามีรูปเสียงกดลิ่นรสผลตภะไว้เสพอยู่เรื่อยๆใจก็จะต้องพยยคอยหาร่างกายอันใหม่มาเป็นเครื่องมือในการเสเพรูปเสียงกดลิ่นรสไปเรื่อยๆแต่ถ้าใจได้ค้นพบความจริงว่าความจริงอยู่เฉยๆได้นี่กลับดีกว่าไม่ติดรูปเสียงกดลดิ่นรสนีดีกว่าเพราะถ้ายังถ้ามีความติดในรูปเสียงกดลิ่นรสก็ต้องไปหารูปเสียงกดลิ่นรสมาอยู่เรื่อยๆ เหมือน e, คนที่ติดบุหรี่ถ้าติดบุหรี่ก็ต้องคอยหาบุหรี่มาสูบอยู่เรื่อยๆคนติดสุราก็ต้องไปหาสุรามาเดิมอยู่ <c oughs> เรื่อยๆคนติดภาพยนตร์ก็ต้องไปหาภาพยนตร์มาดูอยู่ <c oughs> เรื่อยๆคนติดขนมนมเนยก็ต้องไปหาขนมนมเนยมามารับประทานอยู่เรื่อยๆแต่คนที่ไม่ติดเขาก็ไม่ต้องไปดิโนรนกันเขาอยู่เฉยๆได้คนที่ไม่ติดบุหรี่ <c oughs> เขาก็ไม่ต้องไปหาบุหรี่มาสูบ คนที่เขาไม่ติดสุราเขาก็ไม่ต้องไปหาสุรามาดื่มคนที่ไม่ติดเที่ยวก็ไม่ต้องไปเที่ยวไหนก็ได้มีความสุขได้กับมีความสุขมากกว่าคนที่ติดสิคนที่ติดนี่เวลาอยากไปไหนแล้วต้องไปให้ได้เวลาอยากไปเที่ยวแล้วไม่ได้ไปเที่ยวนี้จะรู้สึกง่นหงิดเศร้าซร้อยง่อยเงาเวลาอยากจะดื่มสุราหรืนสูบบุหรี่เวลาไม่ได้ดื่มหรือได้สูบก็จะมีความรู้สึก ไม่สบายใจแต่คนที่ไม่ติดสุราไม่เดือดร้อนมีสุราดื่มไม่ดื่มไม่เดือดร้อนมีบุหรี่สูบหรือไม่มีไม่เดือดร้อนมีภาพยนตร์ดูหรือไม่ไม่เดือดร้อนสามารถอยู่เฉยๆอย่างมีความสุขได้เพราะเขาไม่มีความอยากในสิ่งต่างๆนั่นเองเขาไม่ติดในสิ่งต่างๆทันใดถ้าไม่อยากจะกลับมาเกิด ไม่อยากจะต้องมาเจอกับความแก่ความเจ็บความตายซึ่งเป็นความทุกข์ทางใจนี้ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้ทําใจให้อยู่เฉยๆให้ได้ทนใจให้ไม่ไม่ติดกับรูปเสียงกลิ่นรสให้ได้ถ้าไม่มีความติดก็จะไม่มีความอยากเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่จําเป็นที่จะต้องมีร่างกายเมื่อไม่มีร่างกายก็ไม่มีการเกิดไม่มีการแก่ไม่มีการเจ็บไม่มีการตาย ไม่มีความทุกตามมาอีกต่อไปนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสโ่งได้ทรงค้นพบและได้ทรงปฏิบัติโดยพระพุทธเจ้าเองก็สละความสุขในรูปเสียงกลิ่นรสเพื่อไปออ ก, ออกบวชไม่หาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสด้วยการไปบวชเบื้องต้นก็ถือศีลห้าข้ามใจไว้ก่อน การไปบวชนี้ไม่ได้หมายความว่าความอยากในใจจะตายไปทันทีความอยากในใจยังมีอยู่เพียงแต่ว่ามีศีลคอยกั้นเอาไว้คอยหักห้ามใจไว้อยู่เรื่อยๆเวลาอยากจะเสรีรูปเสียงกลินลดก็ห้ามไว้ห้ามใจไว้และวิธีที่จะทำให้ใจไม่เครียดใจไม่ทุกข์ทรมานเวลาที่เกิดความอยากจะเสรีรูปเสียงกลินลดก็คือการหาความสุขทดแทนมาให้กับใจ คำสุขทดแทนที่จะทำให้ใจนี้ไม่เครียดไม่ทุกข์เวลาเกิดความอยากที่จะเสพรูปเสียงกลิ่นรสก็คือการทำใจให้สงบนั่นเอง mm hmm. นักบวชพระพุทธเจ้าหลังจากที่ออกบวชแล้วก็รักษาศีล mm hmm. รักษาศีลของนักบวชอย่างนั้นก็ศีลแปดขึ้นไปศีลแปดนี้ก็มีเครื่องหนึ่งเป็นการห้ามไม่ให้ทำบา อีกครึ่งนึงก็เป็นการห้ามไม่ให้เสพรูปเสียงกิ่นยลดในรูปแบบต่างๆนั่นเองและเว้นการหาความสุขจากการเสพรูปเสียงกิ่นยลให้เปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการเข้าสมาธิเข้าฌานแทนพอจิตสงบเข้าฌานเข้าฌานได้จิตก็จะเกิดความสุขขึ้นมาจากความสงบก็เลยทำให้ไม่ค่อยทรมานหรือไม่ทรมานเลยเวลาที่เกิดความอยากต่างๆขึ้นมาในใจ พอเห็นหลังจากที่ออกจากสมาธิมาพอเห็นแล้วว่าความทุกข์ทรมานใจที่เกิดจากความอยากนี่เป็นตัวที่คอยผลักดันให้ใจไปเกิดใหม่อยู่เรื่อยๆก็สอนใจว่าต่อไปนี้อย่าไปอย่าไปทาตามความอยากดีกว่าเลิกดีกว่าเลิกสูบบุหรี่เลิกดื่มกาแฟเลิกกินเลา้าเลิกเที่ยวเลิกหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ เลิกมีแฟนเลิอกอะไรทั้งสิ้นอยู่เฉยๆมีความสุขได้ส่วนที่ทําให้ใจไม่สุขก็คือความอยากนี้เท่านั้นเองพอเราเห็นด้วยปัญญาแล้วเราก็ฝืนใจเราได้เปลี่ยนใจต่อไปนี้จะไม่สูบบุหรี่จะไม่ดื่มกาแฟจะไม่กินไม่ดื่มสุราจะไม่ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวตา่างๆจะอยู่เฉยๆถ้ามันทรมานก็ใช้สมาธิ นั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบใจก็จะมีความสุขขึ้นมาแล้วความอยากก็จะเบาบางลงไปเรื่อยๆจนถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากในแต่ละครั้งความอยากมันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเช่นวันนี้อยากไปเที่ยวแล้วเราไม่ไปเปลี่ยนใจใช้ปัญญาสอนใจว่าถ้าไปเที่ยวก็ต้องไปเที่ยวอีกเที่ยวเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอสู้อยากไปเที่ยวดีกว่าไม่ไปเที่ยววันนี้แล้วความอยากที่ไปเที่ยว ในขราวต่อไปจะเบาลงจะไม่รุนแรงเหมือนวันนี้ทุกครั้งที่เราฝืนความอยากได้ความอยากอันต่อไปมันก็จะเบาลงไปเบาลงไปแล้วในที่สุดมันก็จะหายไปคนที่เล่าสู่บุหรี่ได้ก็เป็นแบบนี้ตอนต้นเวลาอยากจะสู่บุหรีน่นี่มันจะรุนแรงมากแต่พอฝืนครั้งที่หนึ่งได้ความอยากสู่บุหรี่ครั้งที่สองก็จะลดลงไปเกือบครึ่ ง, งไม่ค่อยรุนแรง แล้วถ้าฝืนท่ อ, อหยุดฝืนทอที่ครั้งที่สองได้ครั้งที่สามมันก็จะเบาลงไปเรื่อยๆจนในที่สุดความอยากมันก็จะหมดกำลังไปในในที่สุดนั่นเอง mm hmm. นี่เกิดวิธีที่พระเจ้าได้ทรงบาเพ็ญจนในที่สุดก็สามารถหยุดความอยากที่จะใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือในการหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายได้ mm hmm. อยู่โดยที่ไม่มีร่างกายได้ ได้มีความสุขมากกว่าตอนที่ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะความสุขที่หาได้ผ่านทางร่างกายเป็นความสุขที่ชั่วคราวให้ความสุขชั่วะยะสั้นๆแล้วก็สร้างความทุกข์ทรมานใจให้อยู่เรื่อยๆทุกครั้งที่เกิดความอยากที่จะหาความสุขทางกายในที่สุดพระองค์ก็ทรงหยุดความอยากที่จะพาให้ท่านมาเกิดใหม่ได้ อันก็เลยไม่ต้องกลับมาเกิดเด็กต่อไปนี่แหละคือความรู้ทางธรรมที่จะสามารถทำให้ผู้ปฏิบัติรอดพ้นจากความทุกข์ได้เป็นความรู้ท่วมหัวที่สามารถเอาตัวรอดได้ต่างกับความรู้ทางโลกไม่ว่าจะเรียนถึงระดับปริญญาขั้นไหนก็ตามจะเป็นวิชาแขนงไหนก็ตามวิชาความรู้ที่เรียนตามสถาบันการศึกษาต่างๆของทางโลกนี้ ไม่สามารถนำเอามาใช้ในการดับความทุกข์ทางใจได้เลยจึงเป็นความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดนั่นเอง<ม>ถ้าพวกเราอยากจะรอดพ้นจากความทุกข์<ม><ม>เราก็ต้องเข้าหาความรู้ทางธรรมเท่านั้นเพราะไม่มีความรู้อย่างอื่นที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ทางใจได้นอกจากความรู้ทางธรรมที่พระเจ้าได้ส่งคนพบ และได้นำมามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกอย่างพวกเราพวกเรานี้ถือว่าโชคดีที่ได้มีโอกาสได้มาเจอกับคำสอนของพระพุทธเจ้าในภพนี้ชาตินี้เพราะถ้าเราไม่มีไม่ไม่ได้เจอคำสอนเราก็จะไม่มีวันที่จะเรียนวิชาทางธรรมได้เลยเราก็ยังจะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิน้นแต่ภพนี้ชาตินี้เราโชคดี เราได้มาเจอวิชาทางธรรมแล้วความรู้ทางธรรมแล้วดังนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือเข้าหาวิชาความรู้ศึกษาแล้วนำมาวิชาความรู้ทางธรรมนี้มากำจัดความทุกข์ต่างๆให้หมดสิ้นไปจากใจเราสามารถทำได้ในพบนี้ชาินี้เลยแล้วก็เป็นพบเดียวก็ได้ในระยะเวลาอันยาวนานกว่าที่เราจะได้มันเจอกับ พอทําคําสอนของพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งเช่นถ้าเราตายไปจากโลกนี้ไปแล้วเรากลับมาเกิดใหม่ซึ่งระยะเวลาจะกลับมาเกิดก็ไม่รู้กี่ร้อยปีกี่พันปีพอกลับมาเกิดใหม่ก็จะไม่มีความรู้ของพระพุทธศาสนาหลงเหลืออยู่ในโลกอีกนี้เลยก็จะต้องรอจังหวะของพระพุทธเจ้าองค์ใหม่มาตัดสินซึ่งก็เป็นระยะเวลาอันยาวนาน ซึ่งอาจจังหวะที่จะมาเกิดก็อาจจะไม่เจอไม่ได้เป็นจังหวะเดียวกับที่พระพุทธเจ้าองค์ต่อไปมาเกิดก็ได้อัง น, นั้นชาตินี้เราถือว่าเป็นชาติที่วิเศษที่สุดสำหรับเราในการแสวงหาความรู้ทางธรรมเรามีโอกาสแล้วอย่าปล่อยโอกาสนี้ให้หลุดมือไปอย่าเสียชาติเกิด<ม>เกิดมาในยุคที่มีพระธรรมคำสอน ที่จะสอนให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายได้ถ้าเราไม่ฉวยโอกาสอันนี้แล้วก็ไม่รู้จะพูดยังไง<ม>ก็ต้องรับข้อกรรมของการไม่มไม่ฉวยโอกาสอันนี้คือการที่จะต้องไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปอยู่อีกเรื่อยๆนั่นเอง<ม>นี่ก็คือเรื่องของความรู้ท่วงหัวเอาตัวไม่รอดที่เอามาฝากท่านในวันนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ต้องขอยุติไว้เพียงเท่านี้และลำดับต่อไปนี้เราก็จะมาปฏิบัติธรรมกันเอาความรู้ทางธรรมมาปฏิบัติพอเรียนรู้แล้วถ้าไม่เอามาปฏิบัติยังไม่เกิดผลเรียนรู้เฉยๆนี้ยังไม่พอต้องเอามาปฏิบัติถึงจะเกิดผลการนั่งสมาธินี้ก็เป็นวิธีการดับความทุกข์แบบชั่วคราวไปก่อนเวลาเรานั่งสมาธิเป้าหมายของเราก็คือทาใจให้นิ่ง ให้หยุดความคิดเลวลาเราหยุดความคิดเราก็จะหยุดความอยากไปในตัวด้วยพอเราหยุดความอยากไปในตัวความทุกข์ที่เกิดจากความอยากมันก็จะสงบตัวลงใจก็จะมีความสุขขึ้นมานใจสามารถอยู่กับอยู่เฉยๆได้โดยที่ไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปดูอะไรไม่ต้องฟังไม่เดือมอะไรถ้าเราปฏิบัติสมาธิไปเรื่อยๆต่อไปเราจะมีความสามารถ ที่จะเข้าสมาธิได้อยู่เรื่อยๆและหลังจากที่เราออกจากสมาธิมาเราก็จะสามารถคอยควบคุมความอยากได้ได้มากขึ้นไปลำดับจนต่อไปเราจะสามารถควบคุมความอยากได้หมดสิ้นไปเลยแล้วเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดกันอีกต่อไปดังนั้นเราต้องพยายามฝึกสมาธินั่งสมาธิให้บ่อย การที ula, okay? wa, em, stellung, ่จะทำใจให้สงบเข้าสมาธิได้นี้คำว่าสมาธินี่คือความตั้งมั่นอย pues, ู่ในความสงบของใจการที่เราจะทำให้ใจตั้งมั่นอยู่ในความสงบเราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือที่จะทำให้ใจตั้งมั่นให้อยู่ในสมาธิได้เรียกว่าสติสติก็คือการระลึกรู้เราต้องมีสติระลึกรู้อยู่กับอารมณ์ที่เรียกว่าอารมณ์ที่กล่อมใจให้สงบ อารมณ์กล่อมใจให้สงบนี้เราเรียกว่ากรรมฐานมีหลายชนิดด้วยกันแต่สาหรับผู้เริ่มต้นใหม่ๆนี้ก็ขอแนะนำ <c oughs> กรรมฐานแบบง่ายๆคือการบริกรรมพุทธโธพุทธโธไปในใจแล้วถึงพระพุทธเจ้าไปในใจอยู่เรื่อยๆอันนี้เราต้องเจริญสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกันการเจริญสตินี้เราควรจะทำทั้งวันทั้งคืนเลยตั้งแต่เราเตื่นขึ้นมาจนถึงเราหลับ เรามีเราสามารถจเจริญสติได้พอลืมตาขึ้นมาเราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปทำงานอะไรที่ไม่ต้องใช้ความคิดเราก็พุโทโธพุโทโธไปพอเราต้องใช้ความคิดเราก็หยุดพุดโทโธไว้ชั่วคราวพอเราทางานพอใช้ความคิดเสร็จเกี่ยวกับเรื่องงานเราก็กลับมาพุโทโธใหม่ถ้าใจไม่คิดอะไรใจอยู่เฉยๆเราก็ไม่ต้องพุโทโธพูกอย่างนี้ไปทั้งวัน แ้วเวลามานั่งสมาธิเราก็นั่งหลับตาแล้วก็เราก็นึกถึงพุโทโธพุโทโธต่อไปใจก็จะสงบได้ง่ายสงบได้ได้นานสงบได้ลึกแต่ถ้าเราไม่เจริญพุโทโธเลยไม่มีสติเลยปล่อยให้ใจเราคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไปทั้งวันพอเวลามานั่งสมาธิจะให้อยู่กับพุโทโธมันไม่ยอมอยู่กับพุโทโธมันจะคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ต่อไปเพราะเราไม่เคยสอนให้มันคิดในทางพุโทโธนั่นเอง บอยให้มันคิดถึงคนนั้นคิดถึงคนนี้คิดถึงเรื่องนั้นคิดถึงเรื่องนี้อยู่เรื่อยๆพอเวลามานั่งสมาธิมันก็คิดต่อไปนั่งไปนานเท่าไหร่จิตก็ไม่สงบเข้าสมาธิไม่ได้เพราะไม่มีสติคอยควบคุมใจไม่ให้คิดนั่นเองแต่ถ้าเรามีสติฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งคอยควบคุมใจด้วยการบ ร, ริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆพอมานั่งสมาธิปั๊บมันก็จะไม่ไปไหนมันก็จะอยู่กับพุทโธทันที พอมันอยู่กับพุโทโธได้ไม่นานไม่กี่นาทีมันก็รวมเข้าสู่สมาธิได้เข้าสู่ความสงบได้พอสงบแล้วก็นั่งไปได้นานเลยสงบพอสงบแล้วมันสบายมันมีความสุขมีความเย็นเหมือนกับเข้าห้องปรับอากาศเหมือนกับเวลาที่แดดร้อนๆ อ, อยู่ข้างนอกพอเราให้เข้าไปในศูนย์การค้าเข้าไปในห้องปรับอากาศเรารู้สึกเย็นสบายจะไม่อยากไปไหนจะอยากจะอยู่ในห้องปรับอากาศนั้นเปน็นาน ในสมาธินี้ก็เป็นเหมือนห้องปรับอากาศเวลาใจคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทําใจให้ร้อนขึ้นมาพอเราเข้าสมาธิได้หยุดความคิดได้ใจก็จะเย็นขึ้นมาเหมือนกับเป็นห้องปรับอากาศขึ้นมาเลยพออยู่ในห้องปรับอากาศแล้วก็จะไม่อยากจะไปไหนอยากจะอยู่ในห้องปรับอากาศนั้นไปนานๆจะอยู่ได้นานไม่นานก็อยู่กําลังของสติที่เราได้ฝึกฝนเอาไว้ถ้าเรามีสติมากก็จะคุมใจให้อยู่ในความสงบ อยู่ในห้องห้องปรับอากาศได้นานขึ้นถ้ามีสติน้อยก็จะอยู่ได้แป๊บเดียวถ้ามีสติน้อยมากก็จะไม่สามารถเข้าไปในห้องของห้องปรับอากาศได้เลยดังนั้นเวลาถ้าเรานั่งสมาธิแล้วใจเรายังดิ้นอยู่ยังคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่แสดงว่าสติเรามีน้อยเังไม่สามารถเข้าสมาธิได้เราต้องพยายามฝึกสติก่อนที่เราจะมานั่งสมาธิกัน แต่ตอนนี้ถ้าเราจะนั่งสมาธิเราก็ลองใช้พุโทโธดูดูซิว่าเรามีสติพอที่จะดึงใจให้อยู่กับพุโทโธไปได้นานทักเท่าไหร่แล้วถ้าเรามีสติมากเราก็อาจจะสามารถดึงใจให้อยู่กับพุโทโธได้นานจนเข้าสมาธิไดก้ก็เป็นไปได้แต่บางครั้งเวลานั่งสมาธิแล้วใจไม่ยอมอยู่กับพุโทโธเลยชอบคิดเรื่องนั้นคิดเรื่องนี้เราก็ต้องเปลี่ยนวิธี แทนี้ใช้พุโทโธเราก็ใช้การสวดมนต์ไปก่อนสวดมนต์บทที่เราจําได้สวดในท่านั่งสมาธิสวดไปในใจสวดไปเรื่อยๆจนกอดใจจะรู้สึกหายฟุง้งซ่านไม่คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วแล้วคิดน้อยลงเราค่อยเปลี่ยนมาที่ทําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปถ้าเราสามารถอยู่กับพุโทโธได้เดี๋ยวใจก็จะรวมเข้าสู่สมาธิได้ นี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธินั่งเพื่อให้ใจสงบให้ใจให้นิ่งให้มีความสุขดึงใจให้เข้าเครื่องปรับอากาศห้องปรับอากาศอันนี้ไม่ใช่วิธีนั่งแบบวิปัสสนาที่จะต้องรู้สิ่งต่างๆรู้เกิดรู้ดับรู้อะไรต่างๆอันนั้นเป็นอีกขั้นหนึ่งขั้นที่สองเราต้องเรียนขั้นที่หนึ่งก่อนคือขั้นสมาธิจนกว่าเรามีสมาธิเราชานาญในสมาธิแล้ว เราถึงใบขั้นที่สองคือขั้นวิปัสสนาหรือขั้นปัญญาขั้นนั้นเราก็ต้องคอยดูดูสิ่งต่างๆที่มีในใจของเราดูเกิดดูดับดูสุขดูทุกข์ดูผิดดูถูกดูของมีคุณมีโทษอะไรต่างๆอันนี้ค่อยตามมาทีหลังอีกทีนึงตอนนี้เราไม่ต้องการจะดูอะไรทั้งสิ้นเราต้องการทําใจให้นิ่งให้สงบพอใจนิ่งสงบแล้วจะมีพลังให้กับใจของเรา จะทำให้เราต่อไปมีกำลังที่จะมาดูจิตของเราได้ดูดูสุขดูทุกข์ดูนรกดูสวรรค์ดูอะไรต่างๆที่มีในใจของเราได้แต่เบื้องต้นในขณะนี้เราต้องการไม่ไม่ต้องการดูอะไรเลยเวลามีอะไรมาปรากฏให้เห็นก็อย่าไปสนใจอย่าไปคิดว่าเป็นสวรรค์อย่าไปคิดว่าเป็นเทวดาคิดว่าเป็นผีหรือเป็นอะไรทั้งนั้นอย่าไปคิดอยู่กับพุโทโธไปอย่างเดียวแล้วโน้สิ่งต่างๆที่ปรากฏขึ้นมามันก็จะหายไปเอง แ้วพอจิตนิ่งสงบทุกอย่างก็จะหายไปหมดจิตแจ้ว่าเย็นสบายมีความสุขนี่คือเป้าหมายของการนั่งสมาธิให้จิตนิ่งสงบให้เย็นสบายมีความสุขอยู่กับความว่างไปแล้วต่อไปนี้เราก็จะมานั่งอีกประมาณสัก 21-22 นาทีด้วยกันตอนนี้เวลาสำหรับการนั่งสมาธิก็ได้หมดลงแล้ว ก่อนที่จะเลิกปวดสังเกตดูว่าวันนี้นั่งแล้วสงบดีไหมถ้าสงบดีก็ให้จดจำวิธีนั่งของวันนี้ไว้แล้วคราวหน้าเวลามานั่งก็ใช้วิธีนี้ต่อไปได้เลยก็จะได้ความสงบเหมือนวันนี้แต่อย่าไปอยากนั่งนั่งแล้วอยากให้มันสงบเพราะความอยากให้มันสงบจะไม่ทำให้มันสงบถ้านั่งแล้วยังไม่สงบก็แสดงว่าสติเรามีกาลังน้อยคนที่จะฝึกสติ ให้มากขึ้นในระหว่างวันฝึกได้ทั้งวันเลยตั้งแต่ตื่นจนหลับพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆแล้วต่อไปข้างหน้านั่งสมาธิก็จะสงบได้ง่ายได้นานแล้วต่อไปนี้จะขออนุมโมทนาให้พรยะธาวาลิวาหาตุราบาิปุเรนติสักลังเอวเมวะอิโตจินงังเปตานางังอุปกัปติ เอ็ดิตังปัตสิตังตุมหังคิปเมวะสมิจัตุสัพเพปุเรนตุสังขปะจันโทปนะระโสยธาณิโชติระโสยธาสัพพิติโอวิวัจจันตุสัพพะโรโขวินัสตุมาเตภวะตวันตลาโยสุขิติขายุโกภวะ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 เป็นช่วงเดียวที่จะได้รับคำตอบเพราะหลังจากที่เราเลิกแล้วจะไม่สะดวกที่จะตอบคำถามต้องขออภัยด้วยถ้าไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ทาง Facebook พระจาสชาติ249ร o u t u b e ิพระสุชาติไลฟ์274 YouTube ดร V 5บ คลับเฮางวิทยุออนไลน์ห้านาคุติ1รวม739ราิบค่ะเขาบอกว่าภาษาอังกฤษเขาไม่ค่อยดีเขาอยากจะเขียนและทานสลิปค่ะเรีนทากทุกทุกทกทุกทุกทกทุกทุกทุกทุกทุกทุกกทุกทุก Uh, learn to let go of everything. Yes, you want to let go of everything. You become a nun. Go live like a nun. Go live like a nun. Okay. y want to the the be free. How? How? How? How? How? o w h o How? How? How? o w How? How? h How? How? How? h How? How? How? How? How? How? o w h How? How? How? o o h w o o o เขาบอกว่าต้องตัดสินใจตอนนี้ไหมคะหรือว่าตอนไหนที่จะมีชีวิตเหมือนแม่ชีะอะค่ะก็ว่าเขาพร้อม When you re ready you can stay in the temple live r i k e a nun บอกเขาไว้ takes time to prepare ใช้เวลาเตรียมตัวหน่อยมัดหนาไม่ใช่ตอนนี้มัดหนาวโอเค Not already now. Uh, I want maybe later. Okay. Then you just let go of whatever you can. Coffee? Can you let go of coffee? Don't drink coffee. Huh? o oh, coffee. Don't mm. mm. yes. drink coffee. d o n r i n k coffee. d t r i n k coffee. Don't o u f e o n t a r f e t drink c o o n drink coffee. d r i n k coffee. n t c o d o n r i n k o f t coffee. d r i n k c e n i n coffee. o n t r c o n t drink t i n coffee. d r i n k e o i n k e o t coffee. o f e o k coffee. o k e o i k c o n o okay. k อ่าที่เล e กก็ของสิ่งท t ่คุณนิ don't need โอเคคำถามฝากถามจากหน้ากุฏิค่ะทำไมคนถึงเชื่อว่าการทำสังฆทานสามารถอุทิศกุศลให้ผู้ร่วงรับได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าสอนพระุทธเจ้าท่านสอนว่าเวลาเราอยากจะส่งบุญให้กับผู้ที่ร่วงรับไปแล้วให้ทำบุญทำทาน <c oughs> ในการ น, นี้ที่ท่านท ร, ทรงแสดงนั้นท่านบอกให้ทาบุญกับพระแล้วก็อุทิศบุญนั้นให้ให้กับผู้ที่รองรับไปแล้วกรรมของชาติที่แล้วมีจริงไหมคะกรรมของชาติที่แล้วเหรอคะมีเมื่อวานนี้ก็เป็นชาติที่แล้วละเมื่อวานนี้ก็เป็นอดีตนะ เทียบกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิงบรรลุนิพพานยากกว่ากันไหมเพราะผู้หญิงมีโฮอร์โมนต่างกับผู้ชายมันไม่เกี่ยวกับโฮอร์โมนมันเกี่ยวกับกิเลสกิเลสมากก็ บ, บรรลุยากกิเลสน้อยก็ บ, บรรลุง่ายมั น, ไ ม, โโมนไม่ได้เกี่ยวกับฮอร์โมนไม่ได้เกี่ยวว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมันเกี่ยวกับว่ากิเลสมากหรือน้อยแล้วความพยายามที่จะปฏิบัติทำมีมากมีน้อยต่างกันได้ คำถามฝากถามจากทางบ้านค่ะ ผมขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามถนนในยามวิการคนเดียวได้เจอมอเตอร์ไซค์ล้มอยู่ข้างหน้า1คันพร้อมคนขับขณะเดียวกันมีมอเตอร์ไซค์จอดอยู่ใ ก, กล้ๆอีกหนึ่งคันพร้อมคนสองคนที่กำลังมองดูคนที่รถลม้มผมก็ไปจอดถามว่าจะให้ช่วยอะไรไหมผู้ชาย2คนนั้นหันมาบอกว่าไม่เป็นไรผมเลยขับออกมาแต่มาฉุกใจคิดอีกว่าคันที่ล้มอาจโดนทําร้ายหรือทําให้ล้มลงหรือเจตนาหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นผมก็อาจโดนทําร้ายไปด้วยจากเหตุการณ์นี้ถ้าผมเจอ แบบนี้ครั้งหน้าแล้วผมไม่เข้าไปช่วยเหลือโดยกลัวว่าจะมีอันตรายกับผมเองจะเป็นบาปไหมครับไม่บาปหรอกเพียงแต่ไม่ได้บุญทั่นเองถ้าช่วยเขาก็ได้บุญถ้าไม่ได้ช่วยเขาก็ไม่บาปแต่อย่างใดบางครั้งเราก็ต้องระมัดระวังเพราะเราไม่รู้ว่าเขาวางแผนหลอกเราหรือเปล่าพอเราจอดรถจะช่วยเขาคนที่หลบอยู่ข้างทางาาก็อาจจะโผล่ขึ้นมาป้นมาจี้เราก็ได้เองก็ต้องระมัดระวัง บางครั้งก็ต้องทําใจปล่อยวางเพื่อความปลอดภัยของเราไว้ก่อนคําถามจากทาง facebook ค่ะแม่เคยสอนไว้ว่าไม่เอาของวัดมาเป็นของตัวเองแต่ถ้าเป็นใบไม้แห้งที่ร่วงโยงเก็บมาผสมทําดินปลูกต้นไม้ที่บ้านจะบาปไหมเจ้าคะก็ต้องขออนุญาตเจ้าอาวาสก่อนของทุกอย่างในวัดนี้เป็นของวัดจะหยิบอะไรไปนี้ก็ต้องขออนุญาต กีของที่บ้านโยมเนี่ยเราจะอยู่ดีๆไปหยิบของที่บ้านโยมมาใช้มันก็ไม่ได้ก็ต้องขออนุญาตเจ้าของบ้านก่อนคําถามจากคุณชีวิตจริงเป็นโรคนอนไม่หลับต้องทำอย่างไรดีคะคิดมากฝึกสติสวดมนต์เรื่องท่งพุทโธใบเวลาจะนอนสวดไปในใจก็ได้ท่องมันไปในใจท่องพุทโธใปในใจอย่าอย่าปล่อยให้คิดถ้าคิดแล้วมันจะนอนไม่หลับ พุธเเ้้้ก็ตองสววดดดมนนไไป๋ยััหลบคําถามสกคุณมารุค่ะวิธีคิดว่าไม่ใช่ตัวเราตัวเขาจะต้องทําอย่างไรให้เราเข้าใจได้คะก็เรแบบที่ร่างกายเราเหมือนใบไม้ใช่ใบไม้นี่เป็นตัวเราหรือเปล่าไม่เป็นใช่ไหมใบไม้มันก็เป็นแค่ธาตุดินน้ําลมไฟสร้างมันขึ้นมาแล้วที่เสุดมันก็กับกืนสื่ดินน้ําลมไฟไป ร่างกายก็ดินน้ำมันไฟสร้างมันขึ้นม า, าเดี๋ยวมันก็ร่างกับไปสู่ดินน้ำมันไฟงั้นมองถ้าเรามองใบไม้ว่าปเป็นเหมือนร่างกายไม่ใช่ตัวเราของเราทั้งคู่เราก็เราก็จะปล่อยวางร่างกายได้คําถามจากคุณลูกรักค่ะถ้าเกิดเราทราบว่าเราป่วยเป็นโรคที่รักษาไม่หายแล้วเราปฏิเสธการรักษายอมอยู่กับร่างกายไปแบบนี้ จะถือว่าเป็นการอยากฆ่าตัวตายไปอีกแบบไหมเจ้าคะก็อยู่ที่ใจเราอยากจะฆ่ามันหรือเปล่าด้วยถ้าเราไม่ได้อยากจะฆ่ามันเรายอมรับความจริงว่ามันจะต้องตายก็ปล่อยมันตายไปตามธรรมชาติอย่างนี้ก็ไม่ไม่ไม่เป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้ามีความอยากฆ่าตัวตายแล้วก็ตั้งใจที่จะปล่อยให้มันตายอันนี้ก็ยังถือว่าเป็นการฆ่าตัวตายได้อยู่ที่เจตนาเป็นหลักถ้าไม่มีเจตนาจะฆ่ามันเพียงแต่รู้ว่ารักษามไม่ได้ ก็ปล่อยมันไปตามบุญตามกรรมไปอันนี้ก็ไม่ได้เป็นการฆ่าตัวตายแต่ถ้าอยากจะฆ่าตัวตายแล้วก็สายจังหวะร่างกายมันป่วยไข้พอดีก็เลยไม่ได้มารักษามันปล่อยให้มันตายไปอันนี้มันก็อาจจะยังถือเป็นการฆ่าตัวตายได้อยู่เพราะอยู่ที่เจตนาคําถามสกุลจรัญญาค่ะการปล่อยวางเป้าคาสอนของพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะ และถ้าเราปฏิบัติโดยฝึกให้รู้จักการปล่อยวางก็จะตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนไว้คือผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราใช่ไหมคะคุณคนเราตายไปโดยไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนแต่บุญแต่กรรมแต่ถ้าเราฝึกใจให้รู้จักการปล่อยวางนี้จะคล้ายๆกับเราอยู่ใกล้พระพุทธเจ้าไหมเจ้าคะก็ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็ถือว่าอยู่ใกล้พุทธเจ้าคาถามจากทาง youtube ค่ะ นั่งสมาธิแล้วไม่สงบควรจะต้องทําอย่างไรบ้างเจ้าคะคนจะไปหาสติฝึกสติมาก่อนใช่ไมอย่านั่งพยายามท่องพุทธโธไปทั้งวันให้ได้ก่อนตื่นขึ้นมาก็พุทธโธพุทธโธไปเรื่อยๆอย่าปล่อยให้ใจคิดเลื่อเปื่อยแล้วถ้าเราสามารถมีพุทธโธอยูใ่ในใจเราได้เรื่อยเวลามานั่งมันก็จะสงบได้ <c oughs> คำถามต่อเนื่องค่ะแลวเวลานั่งสมาธิควรบริกรรมพุโทโธอย่างเดียวหรือสลับการบริกรรมแบบอื่นบ้างในระหว่างนั่งคะก็ถ้าใช้แบบเดียวได้จะดีกว่าจะได้ไม่ไม่ไม่ไม่ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาคำถามสากคุณอาทิรัตน์ค่ะขอเรียนถามค่ะข้อที่หนึ่งคนฆ่าตัวตายที่ไม่ต้องฆ่าตัวตายถึงห้าร้อยชาติมีไหมคะ ถ้าไม่มีเราก็มันพอเราฆ่าตัวตายมันก็ติดเป็นนิสัยไปค่าหน้าพอเราเจอปัญหาแก้ไม่ได้แล้วก็ฆ่าตัวตายต่อไปเรื่อยๆต้องแก้ด้วยการใช้ปัญญาใช้สมาธิปล่อยวางร่างกายปล่อยวางปัญหาไปมันจะเป็นจะตายก็ปล่อยมันเป็นไปตามเรื่องของมันเราทนอยู่กับมันไปถ้าเป็นโรคร้ายโลกมะเร็งก็อยู่กับมันไปอย่าไปนหนีมัน ตอนนี้มันพบหน้าไปเจอโลกแด บ, บแบบเดียวกันก็จะหนีอยู่เรื่อยๆรื่อยเราต้องฝึกสู้กับมันฝึกสู้ได้สติได้สมาธิได้ปัญญาแลวใจเราจะไม่ทุกข์เราจะอยู่กับเราจะสู้กับมันได้คําถามข้อที่สองค่ะเด็กสองขวดเป็นพระอรหันต์ได้ไหมคะเคยดูข่าวมีเด็กสองขวดจมน้ําตายแล้วมีพระองค์ดึงมาบอกว่าเด็กไปนิพพานแล้ว คือมันอยู่ที่จิตของเขามีมักครบบริบูรณ์หรือยังถ้าจิตเขามีมากแปดครบบริบูรณ์มีศีลสมาธิปัญญามีศีลสมาธิปัญญาครบบริบูรณ์ก็สามารถบรรลุได้ไม่ว่าจะเป็นเด็กอายุเป็นคนอายุเท่าไหร่ก็ไม่ไ ม, สไมส่สำคัญ คำถามข้อสุดท้ายจากท่านนี้ค่ะพระนางสิริมหามายาเป็นโสดาบันแบบเกิดอีเจ็ชาติใช่ไหมหรือไม่เจ้าคะขอความเมตตาพระอาจารย์ตอบให้ด้วยนะเจ้าคะถ้าบรรลุเป็นพระโสดาบันนั้นก็มันจะไม่กลับมาเกิดเกินเจ็ดชาติก็จะบรษย์ถึงพระนิพพานได้อต่อาจาย์สั้นกว่านั้นก็ได้แต่ไม่ไม่เกินเจดชาติเป็นอย่างมากคำถามจากคุณยูเซอร์ค่ะ สอบถามคนรักช่วยเหลือเรามาตลอดเรื่องเงินทองพอมีปัญหาทีเขาพูดถ้าไม่ได้ความช่วยเหลือจากเขาใครจะมาช่วยเหลือเราเขาไม่ได้ทวงบุญคุณแต่เขาบอกจําไว้เขาคือคนที่มีพระคุณสําหรับเราแบบนี้ทําทําใจอย่างไรเจ้าคะก็ก็ยินดีไปเลยว่าเขามาเตือนใจเราก็ดีเหมือนกันเราก็เป็นหนี้เขาถ้าเราจะได้ไม่หลงจะได้ไม่เลืมบุญคุณเขา คำถามสักคุณนัดค่ะผมได้สมัครโครงการบวชถวายแห่งหนึ่งของสํานักงานแห่งหนึ่งได้รับเลือกจากทางคณะสงฆ์เรียบร้อยประกาศรายชื่อเป็นทางการแล้วแต่ถูกเจ้าหน้าที่ของสํานักนั้นตัดรายชื่อออกโดยอ้างว่าปีที่แล้วมีคนอ้วนอย่างนี้ผมมีนัดหมักตัวเยอะไปบวชแล้วเสียชีวิตไปจึงตัดรายชื่อผมออกโดยอ้างว่าผมมีโรคไขมันในเลือดสูงผมควรทําใจอย่างไรครับก็ทําใจเฉยๆไปเลย มีไไมมมมนคำถามจากทางเ c e บ o o กคุณประพัสสอนค่ะอยากบวชแต่ยังมีแม่ที่ต้องดูแลถ้าบวชเลยกลัวบาปเพราะอาการยูค่ะคิดแบบนี้ถูกต้องหรือไม่คะก็แล้วแต่ว่าเราสามารถหาคนมาดูแลท่านแทนเราได้หรือไม่ถ้ามีคนดูแลเราแทนท่านได้เราก็ไปบวชได้ ก็อยู่เจตนาด้วยว่าเราจะบวชเพื่อนหนีหน้าที่ภาระหรือว่าบวชเพราะเรามีศรัทธาเราพร้อมที่จะบวชแล้วแล้วเราก็ต้องหาคนที่มาดูแลแทนเราให้ได้ก่อนถ้ายังไม่ได้เราก็อย่าเพิ่งไปบวชล้วก็ปฏิบัติไปในในเพศของคารวาะไปก่อนก็ได้ <c oughs> ก็สามารถบรรลุธรรมได้เป็นคารวาะก็บรรลุธรรมได้ไม่จำเป็นว่าจะต้องไปเป็นนักบวชเสมอไป คำถามจากท่านเดิมที่โดนตัดรายชื่อออกค่ะผมรู้สึกเสียใจมากทำอย่างไรถึงจะวางอารมณ์ลงได้ครับมีผู้แนะนำให้อโหสิกรรมให้กับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นผมไม่อยากมีกรรมชาติหน้ากับเขาอีกแต่ยังทำใจไม่ได้จริงๆครับเจ้าหน้าที่ท่านนั้นจะบาปมากไหมครับไม่บาปเรานะี่ยจะบาปถ้าเราไปโกรธเขาแล้ววิธีที่จะแก้ความโกรธของเราก็คือเราต้องยอมรับความจริงว่าสิ่งการ สิ่งที่เราอยากจะบวดนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเป็นอนัตตาเหมือนดินฟ้าอากาศเราไปสั่งให้ฝนตกแดดออกไม่ได้ฉันได้เราไปสั่งให้เขามาบวชให้เราไม่ได้ฉันนั้นเมื่อเขาไม่บวชก็ไม่บวชเท่านั้นเองก็ยอมรับความจริงใจเราก็จะหายโกรธคําถามจากทาง Facebook คุณพุษธดีค่ะเราจะทําอย่างไรกับการยึดติดแล้วเป็นทุกข์คิดวนซ้ําๆก็ใช้สตินั่งสมาธิไปก่อน พุทโธพุทโธพุทโธหยุดความคิดซ้ําๆนึ่งแล้วพอใจหยุดได้หยุดคิดได้ใจก็สงบใจก็มีความสุขพอมีความสุขแล้วก็จะเห็นโทษของความคิดของเราเห็นโทษของความอยากของเราเราก็อาจจะเลิกเลิกความอยากเหล่านั้นได้คําถามจากคุณรสทนันค่ะ ถ้าเราปฏิบัติถูกต้องพระพุทธเจ้าตัดว่าไม่เกินเจ็ดวันก็เจ็ดเดือนไม่เจ็ดเดือนก็เจ็ดปีหมายถึงว่ามารู้ธรรมขั้นต่ำคือพระโสดาบันหรือหมายถึงเพร่ออรหันเลยครับคุณือท่านจะหมายถึงขั้นอนาคามีเป็นอย่างต่ำแล้วขัน้นพ่ออรหันเป็นอย่างสูงคําถามสกุจลจรัญญาถ้าชาติปัจจุบันนี้เราสนใจการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เด็กแสดงว่าเรามีจิตใจยอยากขัดเกลากิเลสใช่ไหมเจ้าคะ คงงจะเป็นนนอย่าัค้คำถามจากทาง y o u t u ด็อรวีค่ะกลับนมัสการค่ะเวลามีทุกขวเวทนามีความเจ็บป่วยของทางด้านร่างกายจิตใจมีความเศร้าหมองเกิดขึ้นจะทำอย่างไรให้ผ่านความทุกนี้ไปได้คะทำใจให้สงบอย่านั่งใช้อย่าอยู่เฉยๆใช้การนั่งสมาธิหรือใช้การเจริญสติก็กลุมใจอย่าไปอยากให้ความเจ็บไข้ได้ป่วยหายไป เพราะความอยากให้มันหายไปจะทำให้ใจเราทุกข์ทำให้ใจเราเศร้าหมองได้ถ้าเราปล่อยให้มันเป็นไปมันจะจะเป็นก็เป็นเราไม่ต้องไปสนใจใจเราก็จะไม่ทุกข์ใจเราจะไม่เศร้าหมองการพิจารณาเรื่องกายเวทนาจิตธรรมต้องพิจารณาอย่างไรบ้างคะก่อนจะไปพิจารณาได้ต้องใช้ต้องได้สมาธิก่อนแล้วก่อนจะได้สมาธิต้องฝึกสติก่อน มพยายามฝึกสติบ่อยๆนั่งสมาธิมากๆจนกว่าจิตจะรวมเป็นสมาธิหลังจากนั้นก็มาพิจารณาต่อไปซึ่งเป็นงานียังอีกไกลอยู่คุยไปตอนนี้เดี๋ยวก็เลืมพบภูมิภายหนะ้าสําหรับคนที่ร่วมทําบุญกันมาจะมาเจอกันได้อีกไหมเจ้าคะเป็นไปได้ทั้งเป็นไปไม่ได้แล้วแต่โอกาสแล้วแต่จังหวะ เราจะอธิษฐานอย่างไรดีคะให้ไปเกิดเป็นเทวดาแล้วบรรลุธรรมบนสวรรค์ไม่ต้องการกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกคะ่ะเราก็ต้องอธิษฐานที่เหตุเหตุที่ให้เราไปเป็นเทวดาก็คือทําบุญรักษาสินเราต้องอธิษฐานว่าต่อไป น, นี้จะทําบุญบ่อยๆรักษาสินประจำไม่ให้ขาดตายไปเราก็จะได้ไปเป็นเทวดาได้คําถามจากคุณสุภาพรณ์ค่ะ จิตกับใจใช้ตัวเดียวกันหรือไม่ครับตัวเดียวกันใช้แทนกันได้คำ ถ, ถามหมดจ้ะถามก็มีไหมเดี๋ยวไมาใ่ให้ให้ทําทําราทำทามทาลองาถามเรื่องทานค่ะอ่อ หนูได้ยินมาว่าถ้าเราถวายสังฆทานจะมีอา น, นิสงส์มากกว่าการถวายแบบเจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งอันนี้จริงไหมคะแจ้าว่าจริงก็จริงแล้าว่าไม่จริงก็ไม่จริงจริงยังไงและไม่จริงยังไงเจ้าคะคือการถวายใ ห, ให้ให้เป็นของส่วนรวมมันจะทําให้าศาสนาอยู่ยั่งยืนกว่าการถวายให้คนคนเดียวเพราะคนคนเดียวเดี๋ยวตายไป ถ้าไปสนับสนุนคนคเดียวพอเขาตายไปแล้วก็จะไม่มีใครมาทําหน้าที่แทนเขาต่อไปแต่ถ้าทําเป็นส่วนรวมทําให้กับพระทุกลูกนี้ถ้าพระลูกนี้ตายไปก็มีพระลูกใหม่มามาทําหน้าที่ต่อได้ก็ต้องทําเป็นสังฆทานไปทําเพื่อส่วนรวมไอ้ที่บอกว่าจริงไม่จริงก็คือว่าถ้ามีแปรงสฟฟันอยู่แปลงเดียวเนี่ยจะถาวายให้ใครดี ก็เหมือนกันนะถวายให้กับสังฆทานแล้วถวายให้กับพานรูปได้รูปหนึ่งมันก็มันก็ได้แค่คนเดียวอ๋อเจ้าค่ะอันนี้มันต้องหมายถึงของเยอะๆอ๋อค่ะถ้าของชิ้นสองชิ้นก็ถวายรูปไหนก็ได้เหมือนกันไม่ใช่ไม่นั่งมาถวายสังฆทานแล้วให้เราไปแบ่งกันทั้งหมดโอ้ก็ใช่แล้วเจ้าค่ะอีกหนึ่งแนวทางเจ้าค่ ะ, ะระหว่างการถวาย อ, อที่บอกว่าเป็น พระปุตุชนทั่วไปพระโสดาพระสกิทาคามีพระอนาคามีและพระอาราหันต์มีความแตกต่างกันเรื่องอันนี้สรงจริงไหมคะคือการทําบุญการทำทานนี่มันมีประโยชน์สองดา่าสองสอขั้นด้วยกันสองตอนขั้นตอนแรกคือของที่เราถวายเนี่มากหรือน้อยมันก็จะให้เรามีความสุขมากหรือน้อยเช่นเราทําบุญร้อยบาทกับทำบุญพันบาทเนี่ย ทำบุญพันบาทมันจะมีความรู้สึกมีความสุขมากกว่าอันนี้เกิดกับคนเกิดกับผู้ให้ส่วน ผ, ผู้ที่จะรับของของเราเนี่ยท่านก็สามารถให้บุญกับเราได้คือสอนธรรมะให้กับเราได้ถ้าเราไปสอนไปทาบุญกับพระที่ไม่มีธรรมะท่านก็ไม่มีธรรมะให้เราถ้าเราไปทำบุญกับพระที่มีธรรมะท่านก็จะมีธรรมะให้เราอันนี้ต่างกันตร ง, งนั้นแต่ มุญที่จะเกิดจากการให้นี้เท่ากันให้พันบาทกับองนี้ให้พันบาทกับองนั้นก็ได้ความสุขเท่ากันแต่ประโยชน์ที่ยิ่งนจากองนั้นกับองนี้อาจจะต่างกันองนี้เป็นโสดาบันองนี้เป็นปุตุชลใครจะใครจะให้ธรรมะได้มากกว่ากันอ๋อเจ้าค่ะเข้าใจแล้วเจ้าค่ะโ <Okay. S 2> อเคขอถามอีกอย่างหนึ่งหน่ค่ะเอาเลยเอาเลยอบอว่าเหมือนอพวก พลังงานคลื่นจักรวาลอะไรอย่างนี้มีจริงไหมเจ้าคะไม่มีหรอมีพลังจิตเนี่ของจริงและสาคัญที่สุดก็คือพลังจิตถ้ามีพลังห้าแล้วก็ไปถึงนิพพานได้คือมีศรัทธาสติวิริยสมาธิปัญญาห้าตัวนี้ก็จะสามารถผลักดันจิตใจให้ไปถึงพระนิพพานได้ของจริงของแท้ของอย่งอื่นก็ถ้าจะพลังจักรวาลมันก็เป็นเรื่องของดวงดาวดวงเดือนเรื่องโลกมันไม่เกี่ยวกับจิตใจของเรา ไม่ได้พาให้จิตใจเราไปสู่พระนิพพานได้ก็บางทีเห็นมีพวกที่เขาดูดวงพวกเิกเกิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำให้บุคคลนี้สามารถโตไปเป็นนายกรัฐมนตรีบางคนเป็นพระมหากษัตริย์อะไรอย่างเงี้ยเรื่องโ ง, ง, ง่เฮงเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะตามหลักศาสนาพุทอยู่ที่กรรมมากกว่าอยู่ที่การกระทำมากกว่าทำบุญก็จะส่งให้ไปไปได้เด็บได้ดีทำบาปก็จะทาให้ไปตกนรกหมกมอะรทำงั้น มันอยู่ที่กรรมศาสนาสอนเรื่องกรรมอย่างเดียวอย่างเจ้าชายศิทธัตถะชาติก่อนก็ดำเนินบรารมีมามากทำบุญมามากพอมากเกิดก็ได้มาเป็นเจ้าชายสิทธัตถะกล่าวขอบพระคุณเจ้าค่ะสอบถามเรื่องตอนนั่งสมาธิเรื่องเวทนาค่ะตอนที่มีอาการเจ็บปวดขึ้นมาเนี่ยเห็นความคิดของตัวเองแต่ขอคําแนะนําก็คือว่า ใจส่วนหนึ่งก็ไปมองว่าเห็นความไม่พอใจว่าเราไม่พอใจไม่อยากจะหยุดเจ็บตรงนี้แวบบหนึ่งแล้วก็ไปมองเห็นตัวเวทนาที่ขณะที่ปวดอยู่อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเราต้องหยุด อย่าไปสนใจดึงใจให้อยู่กับพุทโธพุทโธเพียงอย่างเดียวโยมก็ดึงใจมาอยู่ที่พุทโธพุทโธแต่เขาก็ยังแบบเหมือนเบี่ยงไปอยู่สามสกันเขาจะดึงไปเราจะดึงเขาดึงเป็นสามรอบอย่างไงก็นึกถึงแต่ว่าตอนที่ยังไม่เกิดเวทนาก็คือยังไม่ได้พุทโธนะคะหายใจเข้าหายใจออกก็คือมองแต่ว่าพอปวดขึ้นมาก็คือแบบโอเคเรามาพุทโธพุทโธใจพุทโธใช้คําบริกรรมหรืใช้การสวดมนต์ก็ได้หรืการท่าอาการ32สองก็ได้ ให้ใจเรามีอะไรทําจะได้ไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ยมเคยทนนั่งทนแล้วก็ดูเวทนาที่ปวดอะค่ะดูดูตรงจุดที่ปวดแบบขาปวดมากแล้วก็แบบจนแง่ตกจนแบบว่านานทนไม่ไหวเขาก็กระตุกขาไปเองแล้วเขาก็แบบอะไรอ่ะสั่นแบบกระตุกอะค่ะแล้วเขาก็หยุดไปของเขาอย่างเงี้ยค่ะแต่ยมก็ไม่แน่ใจว่าท่านดีใช้สติยจะดีกว่าทําใจให้สงบใจสงบแล้วอาการ ก็จะหายไปเนื่อว่าถ้าถ้ามีอยู่ก็จะไม่มารบควณใจอีกต่อไปแต่ตอนที่มีเวทนาอันนั้นเป็นปฏิกิริยาของใจ <c oughs> ถ, ถ้าตอนที่มีเวทนามากๆนี่ก็คือเราสามารถที่จะพุทโทโ ท, ทอย่างนี้ได้ได้แลไปรเรื่อยๆก่อนหรือถ้าเราสอนใจให้วางใจเฉยๆได้ก็วางใจเฉย ๆ, ไ, ๆไปมันเจ็บไปแต่ไปายากให้มันหายเจ็บ ก็ดูเขาไปเฉยๆอย่าไปดูดูแล้วมันไม่เฉยเลยดูแล้วมันจะอยากถ้าถ้ามันดูเฉยๆได้ก็ดูไปถ้าดูเฉยๆไม่ได้ก็ใช้พุโทโธเดินกลับมาให้มันเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้เขาเวี่ยงไปเวี่ยงมาแบบเรืเร่องเว้นน้ำก็ไหวไม่มาค่เราทาใจให้นิ่งเฉยๆด้วยห์นิ่งด้วยพุโทโธมีคำถาบบมหรือเปล่าใกล้เวลาจะหมดนะถามเ ค่ะคำถา ม, น, ถามนี้ก็แล้วกันค่ะการถวายผ้าป่าบางสกุลการถวายผ้ากับพระพิสุกสง์แบบไหนด้านิสง์มากกว่ากันคะคืออย่างที่พูดอ่ะการให้ของอะไรก็ตามมันอยู่ที่คุณค่าราคาของของที่เราให้ไปถ้าเป็นร้อยบาทเหมือนสองอย่างร้อยราคาเท่ากันร้อยบาทบุญก็เท่ากันแต่ประโยชน์ที่ให้กับผู้รับก็อยู่ที่เข า, เขาต้องการอะไรถ้าเขาต้องการผ้าแต่เราไปซื้อ ผงซับฟอกให้นี่ครัมันก็ไม่เกิดประโยชน์กับเขาเท่าไหร่เขาขาดผ้าแล้เราต้องดูว่าเขาขาดอะไรถ้าเขาขาดผ้าก็ซื้อผ้าให้เขาถ้าเขาขาดผงซัพอ่อก็ซื้อผงสัพอ่อกให้เขามันจะได้ประโยชน์มากกวา่าแต่บุญเท่ากันบุญร้อยบาทเท่ากันราคาของเท่ากันบุญก็ได้เท่ากันในเวลาทําบุญต้องฉลาดด้วยต้องคิดถึงโควกคนรับ oh, ด้วยว่าเขาใช่อะไรไม่ใช่อะไร เดีมันจะมีแต่ถอยผ้าตายกันทั้งนั้นเลยแล้วเราคนเดียวใจ่ายได้กี่กี่ชุดกันนะไอ้มันมาทุกวัน่วันละสองสามตายสองสามตายแต่ก็ไม่เป็นไรนี้ไม่ได้บ่นนะเดี๋ยวจะหาค่อยๆเขา้เขาใจในเมื่อมีคําถามที่มันเกี่ยวข้องกันเลยบอกว่าเวลาจะให้ของใครเราก็ต้องดูว่าเขาขาดอะไรแล้วเขาต้องการอะไรใช่ไหมเราก็อยากให้เขาใช้ของของเราไม่ใช่หรือ แต่ไปบังคับเขาว่าเนี่ยหลวงพ่อต้องเปลี่ยนจีวิญญาณใหน้นเนี่ย <Okay. S 1> <laughs> มันไม่ถูกนฮ้ไปบังคับเขาไม่ได้ให้เมื่อเขาไม่ของดีอยู่ใช้เขาทิ้งของดีแล้วมาเปลี่ยนมาใหม่ใช้ใหม่เนี่ยมันไม่ไไม่ใช่เป็นเหตุเป็นผลอ่ถ <Yeah. S 1> ้าอยากใช้เขาใช้ของเราก็ลองไปสังเกตดูว่าท่านขาดอะไรอ่ <Yeah. S 1> พอท่านขาดอะไรพอเราซื้อไปให้ท่านปั๊บท่านก็จะใช้ทันทีเลยพอท่านขาดสิ่งนั้นโอเคนะวันนี้เวลาก็หมดพอดี